3. แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโล 1. คำปรารถหลวงปู่ดูลัตุโลเป็นสิทธิ์รุ่นแรกสุดของท่านพระอาจารย์มั่นภูริะทะัตเถระ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 จิตก็ปรุงแต่งเวทนาทางจิตขึ้นมาด้วยคือเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจขึ้นมาหรือในเวลารับประทานอาหารที่ชอบใจแม้รสที่ยังไม่ทันสัมผัสลิ้นความสุขทางใจก็เกิดขึ้นก่อนแล้วอย่างนี้ก็มี <S <S> <S การรู้เวทนาขณะที่รู้จิตผู้รู้อยู่นั้นจะเห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนมาก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 แค่เห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นก็พอที่สุดมันจะดับไปเองเหมือนอารมณ์ตัวอื่นๆนั่นเองแท้ที่จริงการที่จิตเป็นกลางรู้อารมณ์นั้นจิตเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาและจะเห็นอริยสัจสี่ไปในตัวด้วยเป็นปัญญาขั้นสุดยอดอยู่แล้วที่จะปลดเปลื้องจิต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 และมันเป็นปัญญาคนลัชนิดกันหาเมื่อในจอสักผ้าไปนานๆแขนของในจอก็ปวดมือก็ลา้าในจอรับรู้ทุก เ, เวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วสังเกตเห็นว่าความจริงร่างกายของในจอไม่ได้ปวดเมื่อยเลยแต่ความปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในกาย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 มักจะแยกสมถะกับวิปัสสนาด้วยอารมณ์กรรมาฐานคือถ้าใครทำกรรมาฐาน40เช่นอนุสติสิบถือว่าทำสมถะถ้าเจริญสติปัฏฐานคือรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมถือว่าเจริญวิปัสสนาหรือถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นส ม, มุติบัญญัติถือว่าทำสมถะแต่ถ้ารู้อารมณ์ปรมัทิตย์ถือว่าทำวิปัสสนา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 ผู้ปฏิบัติกวนจำแนกได้ว่าขณะนั้นจิตของตนทำสมถะหรือเดินวิปัสสนามิฉะนั้นอาจหลงผิดทำสมถะแล้วคิดว่ากำลังทำวิปัสสนาอยู่ผู้ปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ขาดญาณทัศนะไม่รู้ว่าระจิตของสิทธิ์อาจหลงผิดได้ง่ายโดยไม่มีใครแก้ไขให้เช่นเดินจงกรมกำหนดยกหนอย่างหนอ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 จิตเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่จะต้องช่วยให้จิตหลุดพ้นตราบนั้นตันหาหรือสมุทยัยก็จะสร้างภพของจิตว่างขึ้นมาร่าไปขอย้าว่าในขั้นนี้จิตจะดำเนินวิปัสสนาเองไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจงใจกระทําดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยที่จงใจหรือตั้งใจบรรลุมรรคผลนิพพานได้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 การที่จิตดับความรับรู้นั้นเป็นภพชนิดหนึ่งเรียกว่าอสั ญ, ญีหรือที่คนโบราณเรียกว่าพรมลูกฟักเท่านั้นเอง<__>เมื่อจิตถอยออกจากอริยมรรคและอริยผลที่เกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดว่ารรมเป็นอย่างนี้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปธรรมาชาติบางอย่างมีอยู่